ต่ท่านงหลาเจนว่าในแง่ของการใช้ภาษาแล้วเนี่ยไม่รับผิดชอบโดยใช้ภาษาหลวมพูดหลวมคือไม่น่าจะเอามาพูดกับคนระดับนั้นพระเจ้าก็ทรงทราบนะว่าการพูดกันทีนะคณะนั้นก็กระทบพระองค์นะฮะจริงๆก็คือด่าพระพุทธเจ้าแล้วโกรธที่พระพุทธเจ้าเอาลุงเขามาบวช พระอธิขณัขะนั้นก็เป็นปริภาชกสารีบุตรเมื่อก่อนก็เป็นปริภาชกนะฮะโดยศักดิ์แล้วก็เป็นลุงของทระิณัขะแต่จากการที่เป็นลุงพระอธิขณัขะ น, นี่ทำให้เราเห็นว่าสารีบุตรนี่แก่กว่าพระพุทธเจ้าตัวขนาดว่าลุงเป็นนักบวชไหลานเป็นนักบวชไปแล้วนะลุงก็แก่ไม่เบาเหมือนกันแน่นะคนะือแกต้องการว่าแกไม่ชอบพระพุทธเจ้าอ่ะนะ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 แต่แล้วผู้เจ้าทรงแสดงสิ่งที่เรียกเวทนาปริคาตสตรเป็นการทรงสอนให้ดูถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งที่เราประสบวิเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือว่ากลางๆที่เรากำลังสวยเนี่ยมาหาข้อยุติไม่ได้ว่าเวทนาอะไรไจะเกิดแต่ในขณะที่สุขเวทนามันเกิดทุกมันก็ไม่มี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 แต่ลืมไปว่าเราพูดถึงพระอระหรันต์ลักษณะทั้งหมดเป็นอาการของศีลับพระรรมามาดอันไม่ใช่เหตุผลมัน ไ, ไม่ได้อยู่ตรงนั้นคคือถ้าเรามองโดยความเคารพในญาณของพระอระหันต์แล้วเนี่ยที่จริงมันน่ามันม น, น่าจะมาด้วยญาณในชั้ำไปหมายความว่ารู้ตัวเองเนี่ยฮะ มันก็รู้ว่าจะต้องอยู่ในชุดของเจ้าตุรงกสนนิบาตั้งก็มามาไกลไม่ไม่ไกลหรอกครับท่านก็แยกย้ายกันอยู่แถบนั้นแหละคืออย่าลืมว่าพระเจ้าทรงสแสดงอาทิตตประ ย, ยสรที่ขยาศีสะแล้วก็มาทีิลัตธิวันมาแสดงธรรมะแก่พวกพระเจ้าพิมพิสารรวมเป็นเร็จแสนสองมืน่นพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายพระเวรลว้น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 อัศจรันที่ว่าพระรหัสเรื่งแยกย้ายกันอยู่ในที่ต่างๆมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระรห น, นั้นก็เป็นผู้ที่บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นขีนาศพลุวนๆที่จริงก็ไม่ตําเป็นต้องใส่นะฮะขีนาศพพระรหก็ต้องขีนาศพอยู่แล้วนะฮะคืออาสวะต้องหมดอยู่แล้วประเด็นใหญ่มาอยู่ที่โอวาทปฏิโมกษ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 มันนา่าจะอยู่ในในพระสูตร น, นนะฮะแต่เกิดมาอยู่ในปีในปิฎกเพราะท่าน он, ตอนตอนตอน้นๆเนี่ยดูแล้วท่านเรียงแนวประวัติศาสตร์พระไตรปิฎกเนี่ยเรียงแนวประวัติศาสตร์ในความมันลำดับการเรียงตามลำดับการอะไรเกิดก่อนเกิดหลังก็ว่าไว้เรียงเรียรียงเรีงไปพวกนี้เลยไปอยู่ในพระสูตรในพระวินัยปิฎกทีนี้โอวาทปฏติโมกเนี่ย บางคนก็อ่านโอวาตนะฮะบางคนก็อ่านโอวา <c oughs> คือภาษาบาลีเนี่ยมันมีหลั ก, กว่าพยัญชนะ ท, ทุกตัวที่ไม่มีจุดไม่มีสระอื่นให้อ่านเป็นสระอ่ะโอวาตปาติโมกนั้นมั น, ม, นมันไม่ได้จุดไม่ไม่ได้จุดที่ทอตหานเพราะนั่นจึงอ่านว่าโอวาตปาติโมกเป็นการสอนเรานึกถึงผู้ฟัง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 เกิดตั้งปฏิบัติได้แล้วแต่เรียนเพื่อรักษาเหมือนพันทาคารก็คือก็คือครังนะฮะคือครังเห ม, มือกน ก, นกนระทรวงการคลังรักษาเงินของแผ่นดินไว้นะฮะมีหน้าที่รักษาเงินของแผ่นดินไว<ม>้เพื่อประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอันนี้ก็เหมือนกันเกิดท่านเรียนก็สอนก็เพื่อให้ท่านรักษาไว้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 ก็เราจะเห็นว่าบางทีพระษฎรอาจ า, า, ารย์ท่านพูดเนี่ยท่านก็เพลนเพลินเน่ยนะเราเห็นในมันนตรงนี้มันทันเพลินไปเฉยๆแล้ก็เหมือนกับเราเขียนหนังสือเราทํางานนะฮะบางทีตรงนี้ก็ขี้เกียจเขียนก็นั่งบอกให้เนตรจดนะ้ตัวเองไม่ได้เขียนเองไลนะฮะอาจจะหลวงพ่องวงๆ อ, อยู่ก็ให้เนตรชวยเขียนในหะ้เราเห็นว่ามันไม่ค่อยเรียบร้อยตรงนี้ย อ, อ่านแล้วดูแล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อย บางทีท่านท่านลืมนึกถึงถึงถึงในแง่ข้อเท็จจริงในระวัติศาสตร์ก็มีแต่ว่าอันนี้ตรงนี้เป็นเป็นพระไตรปิฎกนะเราจะพบในอัตถานี้นีเยอะที่ท่านลืมว่าไอข้อเท็จจริงในแง่ปรอวัติศาสตร์เป็นเป็นเป็ น, ปนไปไม่ได้เช่นท่านบอกว่านางวิสาขามีลูกหลานเห้นห้อมล้อม ต, ต, ะ ต, ะตะลาดกี่พันนะยี่สิบคูณยี่สิบไปเรื่อยๆนะฮะเป็นหมื่นกว่านะ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 จึงทรงสแสดงลักษณะไงนาหิปปะจิโตปารูปะคาติผู้ฆ่าสัตว์อื่นไม่ชื่อวบรันรมิชิตงดเว้นนะั่นนะเห็นไหมครังดเว้นระดับศีลระดับศีลนั่นเองงดเว้นไม่ฆ่าถ้ายังฆ่าก็ยังเป็นบรันรมชิตไม่ได้หมายความยังไงหมายความว่ายังดับกิเลสไม่ได้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 แต่เราจะเป็นพระ ห, หรือคารวะเราก็ต้องพยายามปฏิบัติดีนะฮะพยายามปฏิบัติตรงพยายามปฏิบัติตรงควรเราไม่ได้แล้วนะเราไม่ได้แล้วไม่เป็นสุ ป, ปฏิปโนปกโตสาวกส่องโคประสงค์สาวกของพระผู้มีรพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วไอ้แล้วนั่พระอริยะบุคคลนะนะเรายังไม่แล้วหรอกเราก็ต้องพยายามปฏิบัติ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 แล้ไปถึงพูดไปก็พูดได้สบายมากเท่าไหร่ก็ได้นั่นคือมองเป็นภาพรวมง่ายๆนะมองๆๆ ง, ง, ง่ายๆโดยจับประเด็นของพระพุทธคุณนั่นแหละริงจะจับจั บ, จ, บจับความคิดจากพระพุทธคุณประการต่อไปนั่นเราจะมองสองแนวตรงนี้ให้ลองสังเกตว่าใช้เอตังพุทธานสาสนะนี่เป็นคำสอนของพุทธะทั้งหลาย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 แล้วก็อย่าทำลายอนุปการโตอย่าฆ่านะาจริงจริงอนุปกาโตักบนะุญอย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าทำลายเพราะการเทศการสอนในในแนวของจะสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นต้องเว้นตรงนี้เว้นเว้นเด็ดขาดเลยนะเว้นเด็ดขาดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเองคือฐาน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 ไม่น้อยก็ชุดอุโมงคเครื่องกิตที่มันวิ่งอยู่กับกุศลทุกวันแล้วก็สะสมสันดาลทำให้ไม่ตักบาทไม่ได้มันขาดรู้สึกมันขาดจะสร้างเป็นลักษณะนิสัยและจิตใจจะอ่อนโยนจิตใจจะอ่อนโยนลงไปโดยลนรับเพราะงั้นเราเราเร า, เราอยากจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานแต่ไม่รู้มันต้องถึงภาครัฐบาลนะฮะกังรณรงค์อยู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 วิธีเนี้ยคือวางใจเห็นไหมฮะท่านบอกว่าสัมรวมในในปาติโมกปาติโมเขื่อนสังวรณสัมรวมในระปาติโมกรู้จักประมาณในพัตนาหานนั้นเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อคุมใจเราล่งกลยเราแล้วอยู่ในที่สงัดอย่ารับอารมณ์มากเกินไปประกอบความเพียรใ น, นที่จิตตรงเนี้ยที่เราเน้นคือต้องการความเพียรใที่จิตให้จิตมันเดียวให้รับประสาทมันรับรับเสียง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 พวกนี้เป็นศีล น, นะรตกลงว่าอาการที่ท่านเน้นตรงนี้ท่านเน้นตรงเนี้ยคือเน้นที่ศีลกับสมาธิเป็นใหญ่มากศีลคุมระดับไหนคุมอย่ากล่าวร้ายอย่าทำลายแล้วกันนะอย่าถึงกับกล่าวร้ายอย่าถึงกับทำลายแล้วกันทีนี้เมื่อไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายการกล่าวก็ดีการทำก็ดีก็สะท้อนมาจากจิตที่ที่สงบที่มีเมตตา เป็นธรรมปฏิบัติพัฒนาที่เข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายข้างบนนะท่านเหตนว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องอดทนแต่ถ้าเราทาได้เราก็ดับกิเลสได้เราก็ดับทุกได้ไม่ว่าเราก็อยู่ในกระแสะก็นิพพานนะอยู่หลังๆเท่าไหร่ก็ช่างแหละแต่มันอยู่ในกระแสะอยู่ในเส้นทางเดียวกับพระอาหานท์ดันเดิ น, ดนตามหลังท่านเห็นไม่เห็นก็กมั่นใจนะฮะ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 โดยสัมรวมในบทบัญญัติของศีลนั่นก็คือการไม่ทำบาปนั้นคือการทำบุญนั้นคือจิตใจเราที่ปลองใสนะ่สิ่งสมบัวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ได้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกรรมไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทัุกการทุกท่านถือ